พระเจ้าพระไพบุญอภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังเพื่อให้มีการทำความเข้าใจในเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มากยิ่งขึ้นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจอย่างที่ได้กล่าวไปนั่นคือเรื่องของความทุกข์การทำความเข้าใจในเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เราจะเข้าใจได้ทำได้ ก็คือการที่เราเอามาส่งไว้ในใจเอามาปฏิบัติทางใจพระพุทธเจ้าใช้คําว่าสมาทานสมาทานนั้นก็คือการศึกษาหรือการปฏิบัติศึกษาด้วยการปฏิบัติในลักษณะที่ว่าเราเรียนรู้ไปเราทําไปทํานี้คือทําในทางใจทําไปทําไปเรียนรู้ไปทําไปทําไปเรียนรู้ไปแล้วฟังอาจจะเคยได้ยินสิ่งที่ข้าพเจ้าเคยเปรียบเทียบเช่นเรื่องของการขับจักรยาน หรือการว่ายน้ําการขับจักรยานก็ตามหรือการว่ายน้ําก็ตามเนี่ยเราจะรู้เราจะทําได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราอ่านหนังสือแล้วก็คิดอยู่ในหัวแ ต, แต่คุณต้องลงไปในน้าเลยคุณจะต้องขึ้นไปบนจักรยานเลยเขาอาจจะมีหรือไม่มีคู่มือหรืออาจจะมีคนเขียนอธิบายาไว้ในอินเทอร์เน็ตนั่นถึงเทคนิคการทรงตัวเทคนิคการหายใจในน้นําหายใจ โผล่ขึ้นมาหายใจจากน้ำซึ่งถ้าเราไม่ลองทำเราจะทำไม่ได้เราจะไม่ได้ทำเราจะไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงเช่นเดียวกันนี่คือลักษณะของคำว่าสิกขาคือคำลักษณะของคำว่าสมาทานสิกขาบทคือต้องฝึกด้วยการทำทำไปฝึกไปนั่นแหละทำครั้งแรกมันยังไม่ได้เป๊ะหรอกเพราะฉะนั้นยังเป็นช่วงของการสิกขาอยู่การศึกษาด้วยการปฏิบัติ การสมาทานอยู่นะีสมาทานคือการตามศึกษาในลักษณะที่ว่าเออมันยังทําไม่ได้เป๊ะนะแต่ว่ามันเป็นในแนวทางนี้เนะี่มีการฝึกมีการที่จะทําอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอย่างที่ออกรรมสมาทานศีลอย่างเงี้ยก็คือเช่นเราทําในใจว่าเออเราจะเอาธรรมเหล่านี้มาตั้งไว้ในใจเพราะฉะนั้นการสมาทานศีนเป็นต้ น, นหรือว่าการสมาทานศึกษาในสิกขาบทต่างๆ ที่พระเจ้าบัญญัติไว้มีเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาพวกนี้นั่นก็คือการที่เราเอามาปฏิบัติด้วยซึ่งการปฏิบัติตรงนี้มันละเอียดลงไปนั้นละเอียดลงไปกว่าการที่เราไปไว่ายน้ําหรือว่าการที่เรามาขับจักรยานเพราะการว่ายน้ําการขับจักรยานนี้เป็นกิจกรรมทางกายในยเรื่องของศีลเป็นกิจกรรมทางกายกิจกรรมทางวาจาจักรยานหรือว่าว่ายน้ําเป็นกิจกรรมทางกายที่อยู่ภายนอกด้วยซ้ํา แต่เรื่องศีลเป็นกิจกรรมทางกายที่อยู่ในกายของเราดังนะเช่นเราจะไม่ฆ่าสัตว์อย่างนี้เราจะไม่ลักทรัพย์เราจะไม่พูดโกหกเราจะไม่พูดส่อเสียดพูดเบียดเบียนคนอื่นพูดคำหยาบทิ่มแทงเขาการที่เราจะใช้กายของเรามันจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดเข้ามาอีกนิดนึงละเอียดกว่ากายภายนอกว่ายน้ําก็ตามขับจักรยานก็ตามเป็นสิ่งภายนอกแต่ว่าการที่เราจะใช้กายของเราในการศึกษา ในการที่จะทำใช้ปากของเราในการศึกษาในการที่จะทาเนี่ยมันก็ต้องมาจากจิตข้างหนเป็นตัวสั่งนะจิตที่เป็นตัวสั่งปากให้ขยับหรือไม่ขยับขยับเอาไปนี่จะพูดหรือไม่พูดเรื่องอะไรนะกายจะทำหรือไม่ทำเรื่องอะไรสิ่งที่จะเป็นตัวสั่งนั้นคือคือเรื่องของจิตเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยก็รักษาจิตด้วยเหมือนกันนะใครที่รักษาศีลแล้วศีลก็รักษาจิต จิตได้รับการรักษาจิตก็รักษาศีลด้วยรักษากายรักษาวาจาได้เพราะฉะนั้นการสมาทานการศึกษาตรงนี้คือหาจุดสมดุลนั่นเองในเมืเ่อเราขับจักรยานเราต้องหาจุดสมดลุลมันอยู่ตรงไหนในจุดที่จะนําจิตเราไปได้จุดที่จะไม่ให้ผิดไม่ให้เกินขอบเขตเพราะฉะนั้นการสมาทานตรงเนี้ยต่อให้คุณเอาพระสงฆ์มานั่งพระสงฆ์มานั่งแล้วก็ขอศีลจากท่านอะไระ่ะคําขอศีนนะท่าผู้ฟังศีนหาก็ได้ศีนแปดก็ได้ ขอเสร็จแล้วพระก็อ้าวสมาทานศีลสมาทานศีลก็อ้าปาณาติปาตาเวรมณีว่าไปนะว่าไปเสร็จปุ๊บต่อให้บอกอย่างนี้นะพระก็ทําให้ไม่ได้นะัใครต้องเป็นคนทําก็ตัวเราต้องเป็นคนทำอยู่ดีนะพระใครเป็นคนรักษาตัวเราต้องรักษารักษาอะไรรักษากายรักษาวาจารักษาใจของเราใจของใครก็ใจของเรานะถามว่าใจของท่านผู้ฟังแต่ละคน ใจของผู้ที่รับศีลแต่ละคนเนี่ยพระหรือว่าใครก็ตามก็จะไปควบคุมไปบอกให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ไหมบอกได้อยู่แต่บางทีไม่ฟังเอาคุณอย่าฆ่ า, าศาสัตว์สคุณอย่าด่ากันออกทีวีสิแต่บอกแล้วเขาไม่ฟังไม่ฟังแล้วจะให้ทำยังไงตัวของเรานั่นเองท่านผูฟังตัวของเรานั่นเองจะเป็นผู้ที่รักษาศีลเป็นผู้ที่สมาทานศีลเป็นผู้ที่จะประกอบการศึกษา ทําด้วยการปฏิบัติอยู่ในใจของเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะสมาทานศีลเนี่ยจะมีพระก็ได้ไม่มีพระก็ได้ธรรมระในที่นี้หมายถึงพระสงฆ์ที่จะต้องมาคอยให้ศีลหรือว่าการที่คุณเปิดเทปเอาก็คืออย่างน้อยเรารู้สิกขาบทแล้วนี่เรารู้สิกขาบทแล้วเรารู้แล้วว่าท ำ, ย, าทำ ย, ยังไงก็ทําเลยนี่คือประเด็นแต่ถ้าเรายังไม่รู้ว่ารายละเอียดเป็นยังไงที่ว่าไม่พูดคำหยาบเนี่ย อย่างเช่นนะบอกว่าไม่พูดคําหยาบมันไม่ใช่แค่คําสมัยพ่อคุณรามนะหรือสมัยยุรัตนโกสินทร์ตอนต้นไม่ใช่แค่นั้นแต่ยังเป็นคําที่บาดลึกเป็นคําที่อาจจะใช้ภาษาสุภาพแต่ว่ามันมีความหมายบาดลึกมีความหมายกระเทือนจิตเข้ามีความหมายที่จะทําให้จิตเข้าเหินห่างจากสมาธิอันะไรก็เข้าอยู่ในคําหยาบเหมือนกันนะเราทําความศึกษาให้ละเอียดลงไปนะไม่ใช่เราไม่รู้แต่เราอาจจะรู้แง่มุมไม่หมด เพราะนั้นการที่เราทําไปปฏิบัติไปตัวนี้คือการสมาทานสมาทานศึกษาในสิกขาบทอันยิ่งปุชา ช, าชานันี้สิกขาบทอันยิ่งที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปในสิกขาบทแต่ละสิกขาบทอย่างเช่นเรื่องของการไม่ฆ่าสัตว์อย่างนี้บางคนจะพูดถึงการไม่ฆ่าเท่านั้นถ้าให้ยิ่งขึ้นไปอีกก็ยังรวมถึงการเบียดเบียนมนนันด้วยอุปกรณ์ต่างๆเช่นด้วยก้อนดินด้วยมือด้วยท่อนไม้ มันอาจจะไม่ตายแต่รวมถึงการเบียดเบียนมันด้วยนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดขึ้นไปยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นการทําการศึกษาในี่ยทานฟังนะอยู่ที่ตัวเราอย่านงะคําสองพระเจ้าเนี่ยดีมากตรงที่ว่าเราทําแล้วเราได้คนอื่นทําให้เราเราอาจจะได้บ้างนิดหน่อยเขา อ, อาจจะมาอธิบายให้เราฟังได้นิดหน่อยหน่อยนะซึ่งตรงนี้ดีมากตรงที่ว่าถ้าเราทําเราจะได้ทันทีนะเป็นสิ่งที่ให้ผลได้ เห็นผลได้รู้ได้ด้วยตัวเองเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติแล้วเราก็จะเห็นผลด้วยเนาะเราทำการศึกษาให้ยิ่งขึ้นไปตรงนี้จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในคําสอนได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแต่คุณจะอยู่ท่ามกลางคนอื่นๆที่เขาจะนับถือคําสอนพระเจ้าหรือไม่ก็ตามคุณจะอยู่จังหวัดไหนภาคไหนประเทศไหนและคําท่าคําสอนของพระเจ้าของเรามีอยู่ในใจแล้ว เรารักษาศีลได้มีความเป็นเมตตาทำตรงนี้ธรรมะตรงนี้ไม่มีทางผิดเลยเป็นสิ่งที่เราทรงไว้ในใจเราดูแลใจของเราอย่างเงี้ยเป็นการกระทำที่ถูกต้องแต่เป็นผู้ที่เรียกว่าเราให้อยู่ไกลนะหรือว่าไม่ได้เห็นหน้ากันนะก็ถือว่าอยู่ใกล้กันถือว่ารู้จักกันคุ้นเคยกันเพราะคุ้นเคยกันในธรรมะนั่นเองคนแบบเนี้ยทาข้าพเจ้ารู้จัก แม่ก็อยากจะไปดูไปเห็นว่ายังมีคนแบบนี้อยู่เขาอยู่กันยังไงเขาทำยังไงเ็าอดทนได้ไหมอาหารการกินปัจจัยสี่เขาโอเคหรือเปล่าแล้วก็อยากจะไปดูอยากไปเห็นเพราะเขามีการทำความดีขึ้นมาในสมัยนั้นก็เหมือนกันพระเจ้ารู้ว่าภิกษุณนะตรงนั้นมีความสามัคคีกลมเกลียวกันมองกันและกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่รู้ตรงไหนเออก็มีความคิดว่าอยากจะไปหา อยากจะไปดูจากจะไปชมในอยกจะไปทําความคุ้นเคยความรู้จักในลักษณะของตาหูจมูกลิ้นกายแต่ในใจเนี่ยมันเหมือนกันอยู่แล้วลมีความเหมือนกันมีความเป็นญาติกันมีความคุ้นเคยกั น, น, นในทางธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติตรงนี้การสมาทานการศึกษาสิกาบทต่างๆเนี่ยมันต้องมีที่ให้เขาทำถามว่านธรรมังตอนเนี้อยู่ที่ไหนเรามีที่ที่ดี ที่ที่ดีพอที่จะให้เราปฏิบัติธรรมะได้หรือไม่ท่านฟังตอนนี้อยู่ที่ไหนฟังวิทยุอยู่ที่ไหนคําตอบไม่ได้อยู่ที่ไกลท่านฟังแต่ไม่ได้อยู่ที่อําเภอนั้นอําเภอหนี้จังหวัดเน้นจังหวัดนี้เราอยู่ที่กายของเราเราอยู่ในกายของเราจิตของท่านผู้ฟังอยู่ไหนต้องอยู่ในกายนะแต่เราจะบอกว่าเราอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานครจังหวัดไหนก็แล้วแต่ หรือจังหวัดอุดรธา น, านีอันนั้นเป็นภายนอกไม่ใช่ธรรมะไม่ได้อยู่ที่นั่นธรรมะที่เราจะไปปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่สถานที่ตรงนั้นหรือตรงนี้แต่อยู่ในกายของเราก็เพราะว่าจิตเราถูกล็อกอยู่ในกายนี้นั่นเองจิตเราอยู่ที่ตรงไหนธรรมะมันต้องอยู่ที่นั่นเพราะว่าถ้าไม่มีธรรมะแล้วจิตมันจะเตลิดเปิดเปิงไปไปแบบเป๋ไปเบี้ยวไปบวบไปช้ำไป น, น, น่าเน่าไป เละไปมีหนองขึ้นไม่ได้แต่เราต้องรักษาจิตของเราให้อยู่ในที่ที่มันควรจะต้องอยู่แต่ซึ่งในที่นี้นั่นคือที่ที่ปฏิบัติธรรมนั่นเองนั้นในกายของเราเติมฟังกายของเราเราต้องดูแลให้ดีกายของเราเราต้องดูแลให้ดีดูแลในการที่เพราะว่าตรงนี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของเรานะกายของเราเราดูแลด้วยการที่ทําความสะอาดมันอย่างดีล้างเช็ดถูมันให้ดีตรงนี้แหละมันจึงเป็น เหมือนกับคล้ายๆกับกับดักได้ในสิ่งไหนที่เราทํามันอย่างดีแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะมีความกําหนัดในสิ่งนั้นตรงนี้เราต้องระวังเพรา ะ, ะนั้นเราจะจัดแจงสถานที่ในการปฏิบัติธรรมของเราคือในกายของเราให้ดีเนี่ยคุณต้องทําความเข้าใจในสถานที่นี้ให้ดีซะก่อนกายของเราเราต้องดูแลให้ดีดูยังไงเรียกว่าดูแลอย่างดีดูยังไงก็เรียกว่าดูให้มันเห็นจริงๆแต่ว่ากายนี้มันเป็นยังไง เราพิจนารณาดูกายสถานที่ของเราตรงนี้แต่ว่ามันมีลักษณะเหมือนกับมันมาจากไหนก่อนดีกว่านต่มันก็มาจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมในนั่นเองมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดกินอาหารที่คุณกินเข้าไปนั่นแหะนต่มันก็ไปเสริมสร้างเซลล์เสริมสร้างกระดูกอะไรต่างๆเสื่อมไปบ้างจเจริญขึ้นบ้างนี่คือลักษณะของกายที่มันมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดแล้วเจริญขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดมีส่วนประกอบของธาตุสี่ดินน้ำไฟลม กายนี้ถ้าเราไม่ดูแลให้ดีมันจะเป็นโทษกับเราการที่เราไม่ดูแลให้ดีก็คือหาความทุกข์มาทับถมกนะายนี้ที่มันไม่มีความทุกข์ทับถมมาอยู่แล้วเช่นว่าถ้าเราอาจจะเคยได้ยินว่าโอ้กายนี้เป็นภาระเป็นหนักอะไรต่างๆใช่อยู่แต่ถ้าเราไม่ดูแลให้ดีดังนั้นะฉันก็ทิ้งไม่ดูแลมันนะทําความนะบางคนไปถึงกับฆ่าตัวตายพระในสมัยพุทธกาลก็มีนะทุบจ้างคนมาฆ่าตัวเอง ให้ผู้อื่นฆ่าหรือฆ่าตัวเองแนตะเพื่อที่จะให้เห็นสภาวะที่ที่มันไม่ถูกต้องในกายให้เห็นสภาวะที่เป็นจริงอะนะว่าจริงๆมันไม่เที่ยงมันเน่าเฟะอสุภะเป็นยังไงซึ่งพระพุทธเจ้าก็ยังห้ามเอาไว้แนตะเพราะนั้นเพราะตรงนั้นเป็นลักษณะที่เรียกว่าหาความทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมในอะย่างพวกเดียรตีรัฐที่อื่นที่เขาทําการทรมานตัวเองแตนะเดินบนน้ํานอนบนน้ําไม่นุ่งผ้า นะทํำอดอาหารเอาไว้ผม ย, วยาวๆหรือเอาเล็บเนี่ยทะลุมือตัวเองนะีซึ่งนั้นเป็นการทรมานกายเป็นการกระทําที่ไม่มีประโยชน์เนะี่ไม่เกิดประโยชน์แต่ว่าเรายังดูแลร่างกายของเราไม่เป็นแต่ถ้าเราดูแลเป็นนะั่ยคือเราเข้าใจว่าเออไก่นี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมได้กายนี้เป็นสิ่งที่เราอยู่อาศัยเราถูกล็อกอยู่ในกายนี้กายของเราบางทีให้ความสุขได้ก็มีเช่นสุขโสมนัสในะที่เกิดขึ้น ในเวลาเราได้ฟังเพลงได้กินอาหารอาาร่อยนอนพักผ่อนดีเออมันก็มีความสุขสมันได้อันนี้เป็นข้อดีของมันใ น, นที่จะนํามาข้อที่ควรระวังข้อเสียข้อเสียท่านผู้ฟังข้อเสียไม่ใช่ว่าความที่เราไปกําหนดในมันได้นะข้อเสียคือความที่มันไม่เที่ยงท่างหากบกางคนอาจจะเข้าใจว่าเออการที่เราได้ความสุขต่างๆนี่แหละเป็นข้อดีของกายแ ล, ล้เวลาที่เราได้ความทุกข์ต่างๆเนี่เป็นข้อเสียของกาย ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนั้นเรายังมองไม่ขาดถ้าเรามองขาดก็คือว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยมันเกิดมาจากอะไรก่อนไหนเราบอกว่ากายของเราเออมีมีความสุขได้อันนี้ดีกายของเราก็เจอความทุกข์ได้อันนั้นไม่ดีเ อ, อ่อการที่เราบอกว่ากายของเราเจอความทุกข์ได้อันนั้นไม่ดีถูกแค่ครึ่งเดียวถูกแค่ครึ่งเดียวเพราะว่าสภาวะที่เป็นทุกข์นั้นเกิดจากความที่ไม e ่เที่ยงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าไ อ, อ้ทุกข์ทั้ของกายเนี่ยก็คือความที่มันไม่เที่ยง อันนี้จะครอบคลุมกว่านะจะครอบคลุมกว่าตรงที่ว่าเราบอกว่ากายของเรามีถ้าเราเจอความทุกข์ความไม่น่าพอใจในะสิ่งที่ต้องร้อนต้องหนาวต้องอดทนอันนั้นคือความทุกข์เท่านั้นคุณยังเข้าใจแค่หนึ่งในสมมันไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ําแต่เพราะว่าความรู้สึกคือเวทนาที่เป็นสุขกะตามเป็นทุกกะตามไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุกกะตามนั้นมีสภาวะที่ไม่เที่ยงทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าคําสอนของพระเจ้าเนี่ยเราเอามาวิเคราะห์พิจารณาให้ดีๆจะมีความลึกอยู่ มีความที่ชัดเจนอยู่แตถ้าเราเข้าใจแค่ว่าเออสภาวะที่เป็นทุกข์มีอยู่นี่แหละถึงจะถูกสภาวะที่เป็นทุกข์เกิดจากความที่มันไม่เที่ยงสภาวะที่เป็นทุกข์นี้มีทั้งในความรู้สึกที่เป็นสุขสภาวะที่เป็นทุกข์นี้มีทั้งในความรู้สึกที่เป็นทุกข์ที่เราเข้าใจกันว่าเออมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์อันนี้ถูกแล้วสภาวะที่เป็นทุกข์นั้นมีในเวทนาคือความรู้สึกที่ทั้งไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข และสอย่างนี้มีหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วไม่ใช่เจ้าเวทนานะที่มันเป็นทุกข์จริงๆแล้วความไม่เที่ยงนี่แหละที่ทาให้มันเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงความทนอยู่ไม่ได้ในสภาวะที่มันเป็นนี่แหละคือความทุกข์ของกายนี้เพราะฉะนั้นไอ้ความสุขที่เราเจอสุขสมนาะที่เกิดขึ้นนั่นก็เป็นทุกข์เหมือนกันพอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วอ้าวแล้วเหตุของความทุกข์นี่มันมาจากไหนละ่ะนี่แหละคือตรงที่ว่า ถ้าเราไปเข้าไปยึดถือแตเราเข้าไปยึดถือเราเข้าไปกำหนัดมีตัณหาในกายของเราแต่เราก็จะเป็นเหตุที่ทําให้เรามีความทุกข์ตรงนี้จะเห็นได้ว่าตรงนี้ที่พระุทจ้าให้ทําความเข้าใจในเรื่องของกายเรื่องของขันธ์ทั้ง5้าเนี่ยก็คือความที่ว่าโทษอันต่ํำทรามของมันโทษอันต่ำทรามคือตัวสิ่งที่เราอยู่ด้วยกันกับมันเนี่ยมันเป็นความทุกข์อยู่แล้ว เป็นความทุกข์อยู่แล้วเป็นความทุกข์ที่เราต้องเจออยู่แล้วคือถ้าจะพูดอีกครั้งหนึ่งให้ถูกต้องขึ้นไปอีกนีก็คือว่าสิ่งที่เราอยู่กับมันเนี่ยเป็นความทุกข์อยู่แล้วเป็นความทุกข์ที่เราอยู่เฉพาะหน้าแล้วชี้มือไปทางไหนมันทุก ข, ข์ทั้งสิ้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดให้ถูกความที่มันไม่เที่ยงเนี่ยแหละคือโทษอันต่ําสามเพราะฉะนั ites, ้นเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วตัวทุกข์ทั้งก้อนเลยเนี่ยแหละเป็นความต่ําสามของมันเองถ้ า, ผผานฟังอย่าเพิงเข้าใจว่า อา้าวถ้ า, างั้นแล้วเราจะมาดูแลทําไมมันต่ำซ้ำนะเหตุนี่แหละที่เราต้องทําความเข้าใจนะเพร่องจากว่ า, ากายของเราถ้าตรงไหนก็ตามอะไรก็ตามละ่ะไม่ใช่เฉพาะกายถ้ามีสภาวะของความไม่เที่ยงนั่นคือความต่ามําซ้ำเป็นโทษนะเป็นโทษที่จะเกิดขึ้นได้โทษตรงนี้มีเหตุมาจากอะไรเราต้องทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนเหตุที่กายของเรามามีตั้งอยู่เหตุที่กายของเรามาตั้งอยู่ แต่เราพูดถึงเรื่องของตัวกายเองนั่นคือเจ้าธาตุสีดินน้ำไฟลมมีมารดาบิดาเพดานเกิดไอ้เจ้ากายที่มันตั้งอยู่เนี่ยมีสภาวะอย่างหนึง่งคือความไม่เที่ยงเกิดขึ้นอยู่ด้วยมีสภาวะที่ไม่เที่ยงแฝงมาด้วยไอ้ความไม่เที่ย ง, ง, ยมม ท, ยงที่มาด้วยกับกายนี่แหละที่บอกว่าเป็นโทษอันต่ำสามเพรา ะ, ะนั้นโทษอันต่ำสามมันมาแฝงกับกายอยู่แล้วประโยชน์ของมันมีไหมความสุขสมอะไราาก็มีมาด้วยมาด้วยกันโทษอันต่ำสามก็มาด้วยกันเอาแล้วถ้าอย่างนี้มันจะมีสักวิธีหนึ่งไหม ที่จะนําโทษอันต่ําซามของวันนี้ออกไปได้แล้นฟังว่ามีไหมตั้งบอกว่าโทษอันต่ํารามคือความไม่เที่ยงแล้วจะมีวิธีหนึ่งไหมที่จะนําความไม่เที่ยงออกไปจากกายนี้ได้มันจะเริ่มขัดกันนะหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราทําตามวิธีนี้แล้วกายของเราจะเริ่มเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนขึ้นมาอ้าวนี่แหละมันจะปลาดแล้วตรงที่ว่าถ้าเราทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งวิธีที่จะนําออกซึ่งโทษอันต่ํารามของมั น, น นะทําให้เกิดขึ้นแล้วกายของเรามันจะเที่ยงอยู่ได้ซึ่งมันไม่มีจาฟังไม่มีไอ้ทั้งก้อนนี่แหละที่เราทําความเข้าใจว่าเอ้ยอันนี้เป็นโทษอันต่ำทรามของมันนะตรงนี้แหละคือทางน้าออกอยู่แล้วน้าออกจากอะไรจำฟังทําอะไรให้เกิดขึ้นนะคือทําความเข้าใจณนะความเที่ยงแท้แน่นอนในอริยสัจทั้งสีให้เกิดขึ้นนั่นเองนะกายนี้มันเกิดมาแล้วมันต้องแตกต้องตายต้องดับแน่นอน แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากความเป็นคงที่ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่นนั่นคือความรู้ในอริยสัจ ส, สีเหมือนถ้าเรารู้กายของเราโดยการเห็นว่าเอ้ยสิ่งที่เป็นโทษมันก็มีนะสิ่งที่ทําให้ความสุขสมนั้เกิดขึน้นก็มีนะกายของเราประกรอบขึ้นจากสิ่งนี้นะถ้าเราปฏิบัติตาม3อย่างนี้เราทําความเข้าใจอย่างนี้อ้าวนี่มันมรรคแปดแล้วนี่ถ้าเป็นมรรคแปดอ้าวอริยสัจสเกิดขึ้นแล้วนี่นี่แหละคือความเที่ยง คือความที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากความเป็นคงที่ความรู้ในอริยสัจสนะท่านฟังมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเดีท่านผู้ฟังอาจจะมีความคิดว่าอา้าวถ้างั้นสิ่งที่เที่ยงก็มีสิคือความรู้ในอริยสัจสีนี่แหละท่านฟังที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากความเป็นคงที่ถ้าเราจะบอกว่าไอ้ความทุกข์นั้นก็เป็นของที่เที่ยงสิงไม่ใช่แต่ความรู้ในทุกต่างหากความรู้ในทุกเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากนี้สภาวะเป็นทุก สภาวะที่มันเป็นทุกข์เนี่ยซึ่งความมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแ ล, แล้วไอ้ความรู้ในสภาวะนี้แหละเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปจากอย่างนี้ความทุกข์มันจะเป็นสภาพอย่างนี้ความทุกข์มันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องไม่เที่ยงไอ้ความรู้ตรงเนี้ยเนี่ยแหละนี่แหละคือไม่ว่าพระเจ้าจะเกิดขึ้นมาจะไม่อุบัติขึ้นมาสิ่งนี้ก็จะต้องเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเราทําความเข้าใจตรงนี้ทําฝั่งทําความเข้าใจตรงนี้คือเราเข้าใจกายของเราเราดูแลกายของเราอย่างดีแล้ว เราเข้าใจกายของเราในลักษณะที่ที่จะทําความคลายกําหนัดให้เกิดขึ้นได้เราเข้าใจลักษณะกายของเราสถานที่ปฏิบัติธรรมของเราในลักษณะที่จะเข้าถึงความที่แจ่มแจ้งความที่คงที่ความที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากความมีความเป็นไปด้วยประการอื่นคือใจของเราจะเข้าสู่สภาวะนั้นเข้าไปเรื่อยๆรื่อแต่เพราะว่าถ้าใจของเรายังจมอยู่ในกายในสิ่งที่มากระทบนั่นก็เรียกว่าจมอยู่ในกองทุกข์ใช่ไหม ก็ยัต้องมีความขึ้นลงเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มากระทบเขาด่าเขาว่ากระใจตกลงเหนียวลงกระโกรธปิดป้ปานขึ้นมาเขาชมเขาย อ, อกระใจสูงขึ้นดีขึ้นมีความกำหนัดโม่เมา น, นขึ้นลงเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่มากระทบแต่ถ้าเราเข้าใจกายของเราแล้วใช้กายของเราในการเป็นสถานที่ปฏิบัติให้ใจของเรานั้นเข้าสู่สภาวะ1ที่เป็นสภาวะที่มีความเข้าใจสภาวะนั้นแหละคือสภาวะที่ ไม่เปลี่ยนแปลงจากความเป็นคงที่นั่นคือจุดที่เรากําลังพูดถึงความเป็นนิพพานแตนะ่ความดับไปจากความฟุง้งจากความวันไหวความดับไปจากสิ่งที่มากระทบการวางเฉยอยู่ได้มันจะเข้าถึงความที่นิ่งไปนิ่งไปเรื่อยเรื่อยตรงกระบวนการตรงนี้คือการสมาทานนั่นเองการที่เราค่อยๆฝึกค่อยๆทําทำไปทำที่ไหนในใจเราใจอยู่ที่ไหนในกายเราเพราะฉะนั้นเราทาที่กายเราทาที่ใจ ทำที่กายทําที่ใจเพื่อให้ใจของเรานั้นเข้าสู่สภาวะที่มันไม่เปลี่ยนแปลงสภาวะที่คงที่นั่นคือการรู้ตามซึ่งอริยสัจสีรู้ตามซึ่งอริยสัจสีนั่นลูฟังอริยสัจสีเป็นสิ่งที่ผู้ชาบตรัสรู้ไปแล้วหมุนไว้แล้วบุ้มไว้แล้วที่ป่าอิศิปตนะมฤเคตาหยวนเราตอนนี้กําลังหมุนตามเราหมุนตามเนี่ยคือเข้าสู่ความคงที่แต่ไม่ได้หมุนตามความทุกข์ไม่ได้หมุนตามสิ่งที่มากระทบ แต่เรหมุนตามธรรมจักรที่พระเจ้าหมุนเอาไว้แล้วเหมือนกับเราเข้าใกล้ศูนย์กลางมากขึ้นเนี่ยนะท่านฟังเราอยู่ตรงขอบของกงล้อเนี่ยโอ้โมันหมุนหมุนหมุนหมุนไปแต่ถ้าเราคลานค่อยคลานกระดึบกระดึบเข้าสู่ศูนย์กลางเนไอการหมุนตรงนี้มันจะยิ่งน้อยลงลหนึ่งรอบจะมีระยะทางน้อยลงหนึ่งรอบจะมีระยะทางน้อยลงน้อยลงจนทั้งเราถึงจุดศูนย์กลางถ้าใครเคยดูสารคดีหรือทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอพายุไต้ฝุ่นพายุทอร์นาโดเนี่ยนะท่านฟัง ความเร็วใกล้ศูนย์กลางเนี่ยมันจะยิ่งมากมากมเลยแต่ถ้าไปถึงจงสุดจุดกลางปุ๊บมันนิ่งเลยนิ่งไม่ไหวติ่งความนิ่งความดับความที่เราจะค่อยคลายออกจากสิ่งที่มันเป็นความทุกข์ความทุกข์เนี่ยนั่นแหละคือสภาวะที่นิพพานค่อยๆดับไปค่อยๆดับไปอะไรดับไปความโกรธกระวายความเร่าร้อนความเสียบแทงความเป็นหนาม แตสภาวะตรงนี้มันจะค่อยดับไปแต่ความไม่เที่ยงยังอยู่ไหมฟันธงให้ได้ท่านฟังยังอยู่แน่นอนแต่แล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วอะไรที่มันดับไปกันแน่คือความเข้าใจต่ของเราเกิดขึ้นต่างหากนั่นคือวิชาอะไรที่มันดับไปล่ะไอ้ความที่เราไม่เข้าใจต่างหากที่มันดับไปไอ้ความไม่เข้าใจดับไปอวิชาดับไปอวิชาดับไปความไม่เที่ยงอยู่ไหมอยู่แน่นอนแตเราเข้าใจเข้าใจไปอย่างนี้แต่เราจะไปถึงสภาวะที่คงที่สภาวะนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยง มันบอกไม่ได้หรอกว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงเพราะว่ามันเหนือสิ่งที่จะจะนิยามไปละนะไม่ว่าจะเป็นสังกัตรธรรมอสังกตรธรรมนะวิราคาธรรมนี่ยอดเยี่ยมที่สุดเพราะมันค่อยๆดับไปดับไปแม้ความไม่เที่ยงความเที่ยงก็ดับไปเหมือนกันนะหายไปหายไปเราเข้าใจตรงนี้อาจจะยังไม่เข้าใจเพราะว่ายังมีกายมาบังอยู่อา้าเรากลายเป็นสารที่ประเดติธรรมเอาแล้วมันเป็นอุปสรรคหรือมันเป็นที่ช่วยกันแน่นี่แหละท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจพูดไปเนี่ยนะ เหมือนขัดกันเองนะตามฟังแต่ถ้าเราฟังให้ดีๆฟังด้วยใจของเราอะความเหมือนกันมันยังอยู่ตรงนี้บางทีครัพระเจ้าเทศไปบอกไปเนี่ยไม่รู้มันจบมาเรื่องนี้ได้ยังไงแต่ความเกี่ยวข้องมันอยู่เหมือนกันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราใช้กายของเราใช้ใจของเราดูแลเขาให้ดีดูแลให้ดีตามลักษณะที่ว่ามานี้นะอย่าให้มีความกำนัดรุ่มหลงมัวเมาผั ว, วพวันเกิดขึ้นเห็นโทษของเขานะเราปฏิบัติตามธรรมไปเรื่อยๆสมาทานศึกษาสิกขาบท จะมีคนมาให้ศีลจะมีคนไม่ได้มาให้ศีลแต่เราต้องศึกษาศึกษาด้วยกายศึกษาด้วยใจของเราอย่างนี้จะทําความแจ่มแจ้งความเข้าใจเกิดขึ้นได้ถ้าไม่เข้าใจจะเขียนจดหมายมาถามก็ได้แต่พรุ่งนี้อาจจะไม่มีเอามันวันนี้ละ่ะถ้าเราไม่เข้าใจตั้งสติไว้ก่อนตั้งสติไว้ก่อนมีสติในลมหายใจเข้าลมหายใจออกคุณฟังมาจนบัดนี้มันจะจบรายการมีสติในลมหายใจไหมรู้ลมหายใจสักกี่ลมหายใจ เราตั้งสติให้ดีค่อยๆทําความเข้าใจไปทําฟังไม่ยากเรื่องนี้ถ้าเรามีสติแล้วมันจะค่อยคลี่กลายไปเราจะพูดเรื่องเดียวกันเราจะเป็นไปตามคําสอนที่พระเจ้าสอนไว้ได้เดินตามทางนี้ไปเดินตามลมาใจไปและถ้าต้องการเขียนจดหมายมาถามก็สามารถเขียนได้เหมือนกันนะนนโดยการส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตําบลดอนไหลโศกําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธา น, นีหรือว่าสรุปที่เว็บไซต์เข้าไปที่พ i เอลธรรมะ .com p u r e d h a m m a com วันนี้โอกาสของเรามาถึงแล้วในการที่จะใช้กายใช้ใจของเราทำความเข้าใจในเรื่องของธรรมะทำให้แจ้งได้พรุ่งนี้จะมีหรือจะไม่มีเราไม่กลัวเลยเ ร, ล เ, รลเราไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องกังวลเลยเพราะเรามีชีวิตอยู่ในความไม่ประมาทแล้วความไม่ประมาทที่เราดำเนินชีวิตนี้อยู่นี่แหละจะนความสุขความเจริญความเป็นมงคลความเป็นปีติ ความสบายใจความเย็นใจให้เกิดขึ้นในใจของเราได้ในช่วงนี้อากาศก็เริ่มเย็นลงมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศที่วัดป่าดอนหโศกอากาศก็เริ่มเย็นลงแล้วโดยฉายิ่งตอนเช้าๆอาจจะมีหมอกลงบ้างไหลบ้างท่านผู้ฟังตามภูมิภาคต่างๆของประเทศก็เหมือนกันก็ควรจะต้องดูแลรักษาร่างกายของเราให้ดีดูแลรักษากายของเราให้ดีท่านผู้ฟังตามระยะอหนังที่กล่าวมานี้เจริญปอน